แล้วก็ไปสนทนากับพระอาจารย์สุมนณ์เอาทัสน์สุตะรัสรูปเนี่ยไปถวายท่านที่ที่บอสัมมาสัมพุทโธ ท, ที่เรียนกันนะแล้วก็สนทนากับท่านว่าคําว่าสัมมาสัมพุทโธหรือการตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องของพระองค์เนี่ ย, ยหมายถึงตรัสรู้ธรรมะห้าอย่างคืออภินญยยธรรมปรินญยยธรรมสหาตปฏธรรมพาเวตปธรรมสัชชิกาตปฏธรรม ทีนี้ธรรมะเหล่านี้ในทัศนรัศตรเนี่ยขยายไว้ละเอียดดีซึ่งที่เชียงใหม่ก็ใช้สูตรเนี่ยเรียนเพื่อจะอธิบายบทว่าสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยนะท่านก็บอกแหมดีจังเลยเหมือนกันผมก็ชอบสูตรนี้มานานแล้วเหมือนนนะแล้วเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบทว่าสัมมาสัมพุโทโธได้ชัดอันนี้คุยตก ว, วันที่นั่งรถไปงานกระถิ่นที่น้องปริงนู่นนะนะผลธนาการบนรถไป ทีนี้มาเข้ามากรุงเทพใหม่เข้าไปหาจาย์ใหม่ทีนี้จานตัดทั้งภาษาไทยภาษาบาลีมาเลยคันนี้เอาสูตรเนี้ยข้างซ้ายเป็นภาษาบาลีข้างขวาเป็นภาษาไทยแล้วก็มาตัดเตรียงใหม่ว่าอภินญยธรรมเนี้ยอยู่ด้วยกันหมดเลยปริญญาธรรมว่าด้วยการประหาตปธรรมภาเวตปธรรมสัจจิกาตปรธรรมธรรมที่มีอุปการะมากธรรมที่ควรทําให้บังเกิดธรรมที่ เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมทำที่เป็นไปในส่วนแห่งความวิเศษเนี่ยนะท่านก็เอามาตัดตั ด, ตดทั้งภาษาไทยภาษาบาลีมาเรียบเรียงเลยนก็มีฉันทะมาก น, นะแล้วก็ทำให้เห็นพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยชัดสัมมาสัมพุทโธเน้นที่ว่าการตรัสรูด้ดีตรัสรู้ชอบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าใช้คาว่าตรัสรู้ หรือนึกว่าเข้าไปรู้เฉยเนี่ยนะโดยทั่วๆไปก็คิดว่าพระพุทธเจ้าเข้าไปรู้เฉยๆแล้วก็พอแล้วก็จบเลยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่พระองค์เข้าไปรู้บางอย่างเข้าไปรู้ด้วยปริญญาเนี่ยนะคือเข้าไปรู้แบบรอบรู้จริงๆเนี่ยนะรู้จนถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกความเป็นอนัตตาของธรรมะนั้นๆอันนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองการเข้าไปรู้ของพระองค์เนี่ยเข้าไปรู้ ด้วยการละก็ละจริงๆนะไม่ใช่ว่ารู้เฉยเฉยว่าเออนี่โลภะมีโทษไม่ใช่รู้ว่าโลภะมีโทษแล้วว่าควรละแล้วพระองค์ก็ละด้วยจริงๆรนะธรรมะเหล่านี้ควรทําให้แจ้งควรทําให้ประจักษ์พระองค์ก็ทําให้ประจักษ์จริงๆสิ่งนี้ควรเจริญควรทําให้มีขึ้นพระองค์ก็ทําคุณธรรมเหล่านั้นให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นได้จริงๆริงนะ การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ว่าเออรู้เฉยๆนะนะสักแต่ว่ารู้อันนี้ไม่ใช่แต่เป็นการเข้าไปรู้ยิ่งเข้าไปรอบรู้เข้าไปละเข้าไปทําให้แจ้งเข้าไปเจริญในบรรดาธรรมะเหล่านั้นอย่างธรรมะกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือธรรมะส่วนนี้เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมนะอันนี้ก็ยกกลุ่มบาปอากุศลทั้งหลาย ถ้าอากุศลทั้งหลายถ้าเกิดขึ้นเจริญขึ้นในบุคคลใดก็ชักนําบุคคลนั้นทําให้บุคคลนั้นเนี่ยเสื่อมไปแล้วก็ยกธรรมะฝ่ายกุศลทั้งหลายว่ากุศลเหล่านี้นะเป็นไปเพื่อความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะหรือว่าธรรมะเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยากนะเช่นสัจชิกาตประธรรมเนี่ยถ้าว่าจริงๆแล้ว่ทําให้แจ้งยากมากกลุ่มอริยมรักเนี่ยเป็นกลุ่มธรรมะที่ควรทําให้แจ้งเนี่ยนะเออขออภัยเป็นควร ทำให้บังเกิดขึ้นซึ่งถ้าเขียนแล้วนะธรรมะห้าข้อที่เราคุ้นเคยกันข้อหนึ่งก็คืออ่า น, นะอภินญยญายข้อสองปริญญะาข้อสามปหาตัพะข้อสี่ก็สัจชิกาตัพะแล้วก็ หาก็พาเวตพะเนี่ยน ะ, อะอเออยะทางภาษาบาลีกับตับภะเนี่ยแปลว่าควรเหมือนกันเนี่ยนะแปลว่าควรเหมือนกันทีนี้ธรรมะห้าคำนี้คุ้นๆกันอยู่แล้วว่าสัมมาสามัมพุโทโธที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์รู้สิ่งเหล่านี้แล้ว คำว่ารู้นี่ไม่ใช่ว่าศักแต่ว่ารู้เฉยๆแบบผู้ที่ฟังหรือผู้ที่ได้ยินสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พระองค์นี้ทำทำกิจเหล่านี้ด้วยนะคือทำกิจว่าในส่วนอภินยยธรรมพระองค์ก็ทำกิจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทำเสร็จ การทํากิจเหล่านี้ยังเสร็จสิ้นบริบูรณ์น่ะความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเกิดขึ้นเนี่ยนะเมื่อมีตรงนี้นะในชั้นแรกๆตอนที่เข้าไปรับรู้สิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้บอกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรขณะที่บําเพ็ญกิจเหล่านี้อยู่ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทํากิจเหล่านี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบังเกิดขึ้นทีนี้ถ้าขยายเพิ่มเติมอีกหนึ่งว่า กลุ่มปหาตปรธรรมคือหาณพาคยะถ้าไม่ละมันพาเสื่อมจริงๆพาเสื่อมยิงไหมถ้าไม่ละนะกลุ่มธรรมะที่ควรละนะมันจะพาเสื่อมกลุ่มที่ควรทำให้แจ้งนี้เป็นกลุ่มธรรมะที่เรียกว่าวิเศษพ า, าคยะนี่เป็นกลุ่มมัด วิเศษภาคิยะกับอบปาเทตภะเนี่ยนะคือคือกลุ่มธรรมะเดียวกันส่วนทุปปติวิชชาเนี่ยนะที่เรียกว่าแทงตลอดได้ยากจะเป็นกลุ่มสัจชิกาตปพธรรม แทงตลอดได้ยากเนี่ยนะธรรมะที่มีอุปการะมากเนี่ยนะเป็นธรรมะกลุ่มพาเวตพเาพระครันะครบสิบพอดีใช่ไหมสิบหัวข้อยาย จะเห็นว่าในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเน้นกลุ่มเนี้ยเป็นหลักเน้นกลุ่มไหนคือกลุ่มภาเวตพภะ กลมพาเวตพะที่แปลว่าเป็นธรรมะที่ควรควรเจริญธรรมะที่ควรเจริญเหล่านี้เนี่ยนะเอ่อเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากอุปการะคือเกื้อกูลมากเหลือเกินอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งถ้าเจริญแล้วเป็นไปเพื่อความวิเศษขึ้นพิเศษขึ้นแล้วเป็นธรรมะประเภทอุ ป, ปาเทตภะควรทาให้บังเกิดขึ้นนะนั้น จริงๆแล้วว่าโดยรวมๆของศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเน้นการบำเพ็ญกุศลธรรมเป็นอย่างยิ่งนนะ่ว่าใช้คำมาเพิ่มทั้งวิเศษภาคยะอุปาเทตภาพาและพระหหปการะคือมีอุปการะมากส่วนสัจิกาตประธรรมกับทุ ก, ทกปฏิวิชชาเนี่ยนะแทงตลอดได้ยากอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะนะนิโรสัจจ ะ, ะเป็นสิ่งที่ทา ใ, ให้เห็นยากจริง ส่วนปหาตภะธรรมะที่ควรละกับธรรมะที่อยู่ในฝ่ายเสื่อมเป็นธรรมะกลุ่มเดียวกันนะส่วนปริญยยะรอบรู้กับอภินยยะจริงๆแล้วอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะบางแห่งอธิบายว่าอภินยยะคือยาตะปริญญาเนี่ยนะปริญญาตรงนี้หมายถึงตีรณะปริญญา แคข่ขยายเพิ่มเติมว่าอภิญญยะคือยาตะปริญญาปริญญาคือตีรณปริญญาส่วนปหาตัปทะเนี่ยเท่ากับปหาณะปริญญ า, านะขยายอย่างนี้ก็ได้นะหาณะภักดีปหาตัปทะนั่นแหละคือสิ่งเดียวกันกันกบปหาณะปริญญา นี่เพียงแต่พูดปรารภถึงว่าการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ทํากิจเหล่านี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์และบริบูรณ์นะเวลามาขยายก็ธรรมะทั้งหมดในพระไตรปิฎกนะถ้าเราจัดกลุ่มเป็นเนี่ยจะอยู่ใน10บกลุ่มนี้เท่านั้นเองนะว่าโดยกลุ่มนะว่าเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอ่านสูตรไหนก็ช่างเถอะ จะต้องอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ไม่กลุ่มใดก็กลุ่มหนึ่งะนะหรือบางทีในสูตรเดียวมีทุกกลุ่มหมดเลยบริบูรณ์เกือบทั้งหมดก็มีหรือว่าตัดออกบ้างเพิ่มบ้างนะนะปัตยวิกเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าทรงธรรมสิบหัวข้อนี้ได้ก็ก็เบาไปเยอะแล้วนนะก็ที่เหลือก็เวลาอ่านสูตรไหนก็สงเคราะห์ว่าไอ้อยู่ในกลุ่มไหนสิกลุ่มนี้นนะนะอวาวัยวัด หรือถ้าจับอะไรไม่ได้จริงๆสูตรนี้ว่าอริยสัจอะไรบ้างอันนี้ก็ได้นะถ้าเบากว่า น, นั้นหน่อยนะง่ายๆกันนั้นหน่อ ย, อยสูตรนี้พยัญชนะตรงนี้สัจจะอะไรเช่นถ้าเรียนตันหามากๆมันอยู่ในสัจจะไหนนะเอาห้างหัวข้อนี้ก่อนก็ไดออ้ถ้าตันหาก็เป็นกลุ่มปะหาตัปพะถ้าพูดขันอิยตะนะธาตุก็เป็นปริญยยญาธพูดถึงอริยผลหรือนิพานสัจจิกตพพะ ศีล ส, สมาธิปัญญานี้กลุ่มภาเวตะพระอ่านแล้วก็จับตรงนี้ให้ได้ก็ยังดีนถ้าจับได้มากไปกว่านั้นก็อันนี้เออนี่ฝ่ายเสริมนะนี้แทงตลอดได้ยากนี้ส่วนแห่งวิเศษนี้ควรทำให้เกิดขึ้นนี้มีอุปการะมา ก, ก่ะ น, นะแล้วก็แ จ, จะจำแนกแจกแ จ, แจงไปอย่างนั้นอีกต่อไปก็ได้นนะแล้วก็อ่านพระไตรปิฎกได้ไพเราะหรือมีความสุขมากขึ้นก็ได้ ยายาคือ อ, อันนี้เนี่ยบางทีเนี่ยหมายถึงอริยศัสตร์ทั้งสี่เลยนเนี่ยศาสนานี้เป็นอย่างนี้นะต้องรู้ให้จริงเหางนั้นเถอะพูดแบบภาษาเราบอกต้องเข้าไปรู้ให้จริงอ น, น, นทีนี้นรู้จริงรู้ยังไงรู้แบบปริญญาประปริญญาธรรมจริงๆคืออะไร สับไทยไทยเราชอบศัพ์นี้มากคือเรื่องชีวิตของเรานั่นเองอันนี้อันนี้ต้องเข้าไปรอบรู้เรื่องชีวิตให้ให้ดีอย่างที่2ก็คือสาเหตุแห่งชีวิตว่าชีวิตเนี่ยมายัาง ไ, ไงไปยังไงส่วนอย่างที่สานี่นะว่าเมื่อรอบรู้ในชีวิตไปยังไงมายัางไงว่าแต่ประมวลว่าโดยย่อก็คือกองทุกข์ สภาพที่พ้นจากสิ่งเหล่านี้มีไหมอันนั้นจึงเป็นกลุ่มสัจจิกาตภะหรือนิโรธทีนี้ถ้าจะพ้นจากสภาพแบบนั้นได้ต้องเจริญยังไงเนี่ยนะอย่างเช่นเรานึกถึงสุมเมธบัณฑิตเนี่ยนะสุมเมธบัณฑิตเนี่ยท่านอยู่ว่างๆท่านก็คิดว่าไอ้การเกิดในโลกเนี่ยมันเป็นความทุกข์อย่างยิ่งนีนะขึ้นชื่อว่าชีวิตที่เกิดมาเนี่ยมันเป็นทุกข์เหลือเกินอันนะ แต่ถ้าคนที่เหมือนกับปลาไม่เคยได้น้ำอาจจะแหมมันน่าตื่นเต้นไปหมดเลยแต่ถ้าคนที่อยู่กับ น, น้ำมานานๆเข้าเอ๊ะมันไม่เห็นสนุกตรงไหนเลยนะก็เอาเอากลุ่มประเภทที่ชินกับ น, น้ำเนี่ยนะไม่เห็นมันมีสาระอะไรเลยเนี่ยนะมันก็เป็นความทุกข์มันก็เป็นกองทุกข์ขันก็เป็นภาระเนี่ยนะเมื่อกคุณปีดาไม่เห็นมาปกติเขาบอกว่าเขาชอบบทว่า ภาราฮาเวปัญจักขันธาเ น, นี่ยนะพาราทานังทุกขังโลเกมันชอบบทนี้มากคือบอกว่าพารขันธาเนี่ยเป็นภาระเดนอะพังกันมันเป็นภาระจริงๆบริหารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นภาระมากผู้ที่มีอุปาทานในขันเหล่านี้เป็นทุกข์ในโลกเห็นไหมแต่ผู้ที่ไม่ยึดในอุปาทานขันห้าเป็นสุขที่สุขในโลกนะสมมุติว่า ไอ้ชีวิตกองทุกก็คือขันห้าาเทศนาวิราชหน่อยก็เป็นอายตนะ12ถ้าแสดงแบบพิสดารขึ้นไปอีกก็เป็นทาศทาตก็แบ่งเป็นกลุ่มท่าสาทาต4ทาหกทาสิบแอะไรเงี้ยนะแล้วแต่จะแบ่งไหก็คือขันอายตนะทาาขันอายตนะท่าตัวเนี้ยภาษาธรรมะเรียกว่าภาระ อ้าวช่วยไปยกทัพผสมภาระหน่อยแปลว่าอะไรแปลว่าไปยกของหนักหนักน่อนะภาระแปลว่าของหนักไอก้ขันห้านี่มันเป็นภาระมากนะมันหนักมากหนักยังไงเนี่ยก็ลองขึ้นเขาดูเถอะอัน น, น, น้ส่วนรูปนะส่วนทุกทุกขเวทนานี่ก็ชับอยู่แล้วนะ น, นี่ภาระมากสุ ข, ขเวทนาถ้าจะบำรุงให้มันมีสุขต่อไปก็เป็นภาระมากนั้นขันห้าเป็นภาระแซก็บอกว่า ความยึดถืออุปาทานเนี่ยนะที่เรียกว่าความยึดถือความยึดถือขันห้าเนี่ยมันอินงอังเป็นทุกข์ในโลกไอการที่เข้าไปยึดในสิ่งเหล่านี้ถามว่าสาัตว์ทั้งหลายถ้าจะยึดขันห้ายึดว่ายังไงยึดว่าเพียงว่าสุขว่าอัตตาว่างามทีนี้ในโลกของขันห้ามันเป็นอย่างนี้จริงไหม มันก็ไม่จริงไปยึดว่าเที่ยงขันห้ามันเที่ยงจริงไหมมันก็ไม่จริงไปยึดว่าสุขขันห้าสุกจริงไหมก็ไม่สุขไปยึดว่าเป็นอัตตาแล้วขันห้ามันเป็นอัตตาจริงจไหมแล้วขึ้นระงามแล้วมันงามจริงไหมล่ะแต่็แล้วพอยึดอย่างนี้เข้าอันนี้แหละสาเหตุของภาระทั้งหลายก็จะเข้ามาสมมติเช่นถ้ายึดว่าเที่ยงอ่ะนะก็พยายามที่จะจริงจริงแล้วมันไม่เที่ยงก็ไปหาปัจจัยแวดล้อมเพื่อที่จะให้มันเที่ยงต่อไปอ่ะนะ เพื่อที่จะรักษาต่อไปอะ่ะเช่นว่าชีวิตเนี้ยสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกตายแน่งนี้ยนะแต่เราคิดว่ามันน่าจะไม่ตายเพราะเข้าไปวิปลาสน่าจะไม่ตายก็คิดสรรหาวิธีการเพื่อที่จะอยู่อมตะกษัตริย์จีนโบราณเนี่ยนะส่งคนไปทั่วไปหมดเลยเพื่อที่จะไปสรรหาตัวยาที่ทําให้ไม่ตายเนี่ยนะ ส่งไปอยู่เกาะโน่นบ้างส่งไปอยู่เกาะนี่บ้างถูกหลอกเยอะนะจินซีห้องเต้นเนี่ยถูกถูกพวกอัลมาตนี่หลอกเยอะเนี่ยนะบอกว่าโอ้ไปเจอยาดีแล้วขอให้ส่งสนมมาเยอะๆอะไรองี้เขาก็แยกออกไปแยกออกไปแล้วก็ทางยุโรปก็เหมือนกันเนี่ยนะกลุ่มที่ที่ยึดว่ามันต้องมีตัวยาอย่างหนึ่งที่ทําให้ไม่ตายได้เนี่ยนะเขาก็เลยสรรหาแล้วก็พอเวลาไปหายาก็ตายระหว่างหานั่นแหละ น, น, นะ เขมีเรื่องเ ร, review, เรื่องจีนเรื่องหนึ่งเหมือนกันข้างหน้าคขำดีก็บอกมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าคนคนเนี้รู้ยาที่ทําให้ไม่ตายได้ยังว่าไงเสร็จแล้วคนคนหนึ่งเขาก็มาจะไปหาสารหาผู้เท่าคนนี้ให้ได้ผู้ที่รู้ยาว่าไม่ตายพอไปยังไม่ทันถึงอ่ะนะผู้เท่าก็ตายไปแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าเขาจะร้องไห้เลยก็บอกทําไมคุณจึงร้องไห้ก็บอกผู้เท่าคนนั้นเนี่ยรู้ยาที่ทําให้ไม่ตายแต่ผู้เท่านี่ตายไปแล้วเออก็น่าจะดีแล้วล่ะ จะรู้ว่ายาตัวนั้นไม่จริงก็บอกไม่จริงหรือว่างั้นถ้าคนที่รู้ยาอาจจะไม่ได้ประกอบยากินก็ได้เขาเนี่ยเขารู้เขาจะต้องประกอบยากินเขาอาจจะไม่ตายนั่นนะตอนก็สรรหายาที่ทำให้ไม่ตายแต่มีใครหาพบหรือยังอาจารย์สุธานหาพบไหม ย, ยังนะไม่พบแน่แล้วค้นหาว่ามันเป็นสุกจริงๆเนี่ย น, นะค้นหาเจอไหม เราไม่เถียงว่าไม่มีสุขเวทนาเพราะในบรรดาขันห้าก็มีเวทนาอยู่อย่างหนึ่งเรียกว่าสุขเวทนาสุขเวทนาก็มีอยู่บ้างเมื่อได้ปัจจัยประชุมพร้อมสุขเวทนาอ น, นั้น ก, ก็เกิดขึ้นแต่หาสุขที่แท้จริงในอุปาทานขันห้าจะหาไม่เจ อ, เอนะเพราะสิ่งที่ทุกสิ่งที่สุขควรจะควรจะเทียงยนะควรจะเทียงทีนี้มันหาสิ่งที่ไม่เียงาหาสิ่งที่เทียงไม่ได้มันก็ไม่มีสุขอยู่จริง ทีนี้เมื่อไม่มีสุขอยู่จริงเนี่ยนะก็มีคนค้นต่อไปอีกว่ามันน่าจะมีไอตัวอัตตาอยู่ในนั้นทีนี้ไ อ, ไอเงื่อนไขของอัตตาเนี่ยน่าจะต้องเที่ยงด้วยสุขด้วยจริงจะเรียกว่าอัตตามันค้นยังไงมันก็ค้นหาไม่ได้ไอตัวอัตตาอย่างแท้จริงเนี่ยนะแต่ถ้ารูปคําว่าไม่งามก็นับเนื่องในในทุกะนะตรงกันข้ามกับทุกถ้าสิ่งที่สุขก็ควรจะงามสิ่งที่งามนั่นแหละก่อให้เกิดความสุขที่แท้จริงเมื่อ ผู้ที่ไปยึดถือว่าเที่ยงว่าสุขว่าเป็นอัตราในขันห้าแล้วขันห้ามันจํานวนว่ามันพยศเมื่อคืนนี้พูดถึงท้าทิสุนีรูปหนึ่งใช่ไหมที่ท่านฟังอาศีวิสูปมสูดเนี่ยนะก็คือพระสูตรที่อุปมาด้วยอสารพิษท่านฟังอาศีวิสาสูตรจบก็เป็นพระอรหรอันต์นะฟังมหาสติปทานสูตรจบเป็นพระโสดาบันฟังอาศีวิสูปมสูตรจบเป็น พาหันเนี่ยก็มองว่าสรุปว่าโดยเฉพาะยกธาตุสีขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะมันก็มีธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมไอ้พวกนี้มันจะฆ่ากันเองอเนี่ยนะมันฆ่ากันไปฆ่ากันมาลองบํารุงเถอะบำรุงไฟมั่งก็ผิดผิดน้ําอย่างเงี้ยนะบำรุงน้ํามากผิดลมบํารุงลมมากผิดดินอย่างเงี้ยมันก็ สรุปมันฆ่ากันเองเะมือนกัน น, นผู้ที่เข้าไปยึดถือซึ่งวิปลาสคลาดเคลื่อนจากสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงอะ่ะพวกนี้เป็นทุกข์ในโลกคําว่าทุกข์ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่เจ็บปวดอย่างเดียวทุกข์ในที่นี้หมายถึงว่าเวียนทุกข์อยู่ร่ําไปแล้วก็ไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะหมายถึงทุกข์ในวัฏฏะไม่มีจบมีสิ้นสําหรับผู้ที่เข้าไปวิปลาสในอุปาทานขันห้าส่วนผ้าอรหันต์ทั้งหลายก็บอกว่า ท่านไม่ยึดถือเนี้นะท่านไม่ยึดถือคือคือไม่มีอุปาทานในขันธ์ห้าเลยเพราะเพราะท่านเห็นสิ่งเหล่านี้ตามตามเป็นจริงที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและเป็นอสุภะที่ท่านเห็นได้อย่างนั้นเพราะอาศัยเนี่ยข้อปฏิบัติเนี่ยนะข้อปฏิบัติเพราะเมื่อท่านปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปได้วยองค์8ท่านจึงพ้นจากทุกข์ทั้งมวลได้่น้น เราได้แต่หวังใจว่าสักวันหนึ่งเธอหน้าจะกำหนดรู้ทุกที่ควรกำหนดรู้ว่างบอกตอนนี้แหละตอนนี้ยังไม่ได้สปายะ เปิดในหน้าสามสิบสองเยหน้าสามสิบสองการละมุนมีกับเข้าด้วยหรอเล่ม น, นี้นะมีนะนายงดทำเหตุการณ์กันทั้งสิบหัวข้อเนี่ยนะสิบหัวข้อตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสิบข้างบนนั้นเนี่ย เป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทีนี้ถามว่าเรามีศรัทธาอย่างนี้ไหมศรัทธาที่พระองค์ตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ไหมถ้ามีศรัทธานี้เรียกว่ามีซับคือศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะนี้จริงเนี่ยนะอันนี้ข้อแรกที่เรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธานะศรัทธาในฐานะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย ตรัสรู้ธรรมะที่มีอุปการะธรรมะที่ควรเจริญควรกําหนดรู้ควรลธรรมที่เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมเป็นไปในส่วนแห่งความวิเศษแทงตลอดได้ยากควรให้บังเกิดขึ้นควรรู้ยิ่งควรทําให้แจ้งเราศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ธรรมะเหล่านี้จริงและธรรมะเหล่านี้ช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงอันนี้เรียกว่าศรัทธานในพระธรรมแล้วมั่นใจว่าพระสงฆ์ทั้งหลายที่ปฏิบัติ ต, ตามธรรมะเหล่านี้แทงตลอดอริยสัจพ้นจากทุกข์ ผู้ที่มีศรัทธาเช่นนี้เรียกว่ามีศรัทธาในพรนะรัตนตรัยเรียกว่ามีทรัพย์และคือศรัทธาเขาไม่ใช่คนจนนะเพราะอย่างน้อยที่สุดเขามีทรัพย์อันนี้ก่อนทีนี้เมื่อเขามีทรัพย์อย่างนี้ข้อปฏิบัติของเขาต่อไปควรจะเป็นศีลใช่ไหมศีลเพราะว่าสิ่งที่ควรจัดการเป็นอันดับแรกนะธรรมสิบหัวข้อทั้งหมดเนี่ยควรจัดการกับอะไรเป็นอันดับแรก นะธรรมะที่เป็นไปในความเสื่อมอ่ะควรจัดการเป็นอันดับแรกอะตัวไหนที่จะพาเสื่อมนี่คงต้องตัดตรงนั้นไปก่อนใช่ไหมพวกเจริญพวกอะไรค่อยว่าอีกทีนึงเหมือนกับกระเป๋ารั่วต้องไปอุดตรงรั่วก่ อ, น แ, อ, อนแล้วยังอื่นน่าค่อยว่าครั้งหนึ่น